การฝึกการหัดก็เริ่มต้นนะการเดิดนจงกรมกันนั่งสร้างจังหวะการทำงานทำการต่งตางๆขยับเยืนเคลื่อนไหวต่งตางๆแล้วไม่วางหน้าวางต า, าใส่ใจลงไปเติมสติลงไปเราเห็นว่ า, ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆ จากนเคยหลงมันก็รู้ได้จากเป็นเคยคิดตรงมันก็กลับมาปฏิบัติทำมันก็กลับมาหาธรรมชาติ2ตัวนั่แหละสมถะวิปัสนาก็อยู่ในความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็จึงบอกทิศบอกทางไปสู่มรรคผลมีมรรคมีผลมีมรรคมีผลมีมรรคมีผล ก็คือเห็นทุกข์เห็นทุกข์แต่ยังไม่เห็นเหตุแห่งทุกข์อันนี้เป็นมัดเห็นเหตุแห่งทุกข์ยังยังก้าวล่วงออกมาได้อันนี้เป็นมัดแต่เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นทุกข์ก้าวออกจากทุกข์ได้อันนี้มันเป็นมัดเป็นผลครบความรู้สึกตัวก็จะพาไปความเป็นปกติที่เด่นขึ้นมามันก็บอกทิศบอกทาง บอกถึงศาสนาพุทธเกิดจากตรงนี้ปรมจันทร์ก็เกิดจากตรงนี้ตรงความรู้สึกตวนมันเคยอยู่กับโลกโลกทับถมมีทินทาแล้วก็ทุกมีสริเสริญแล้วก็สุบใจฟูขึ้นนะได้ด่างใจแล้วก็สุบไม่ได้ด่างใจแล้วก็ทุก ต่อไปนี้ก็เห็นเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาจะได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจเราก็รู้อยู่แล้วโลกก็เป็นอย่างนี้มีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเราก็รู้อยู่แล้วโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละสมบัติคู่โลกโลกก็ทำแปมันมีความรู้สึกตัวจากการฝึกการหัดนั่พึ่งได้ทุกครั้งมีเสียง คนพูดแล้วก็รู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวมารู้จริงๆรตัวนี้ก็คือมารู้ตัวจิตนั่นแหละปกติในปกติมารู้ตัวถาวรนั่นแหละสัมผัสกระทบรู้สึกกขาพูดอยู่เราก็รู้ว่าเขาหลงอยู่เราก็รู้อยู่มันมีเสียงแต่เสียงมันศัพท์ว่าเสียงมันไม่เข้าถึงใจถึงจิตเราแต่ว่าภาษาที่เขาใช้พูดเรารู้ว่าเขาพูดอะไร รู้อยู่ว่าพูดอะไรแต่ว่ารู้แล้วไม่ทุกสําคัญเราก็เลยเห็นอาการต่างๆเกิดขึ้นมามากมายแล้วเกิดหลงเมลัยอวิชชาเกิดขึ้นมาเมลัยหลงตัวกายมีแต่ไม่รู้ตัวเมื่อเกิดการไหลเข้าไปในการคิดการปลงเรืร่สังขารสังขารนี่ไปเกิดวิญญาณขึ้นมาปลงทางตาทางหูก็ได้บางที ก็มีเสียงแววมาเวลาเราปฏิบัติธรรมคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่า ง, งนี้แววขึ้นมาบางทีก็มีเสียงเหมือนมาบอกพระเจ้ามาบอกหรือว่าเราอริยส า, าวกมาบอกถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้ ว, ลวปฏิบัติต่อไปใกล้พระนิพพานแล้วก็คือจิตดีของเรานะั่นแหละที่พยายามคิดพยายามปรุงพยายามแต่งบอ ก, กบตัวเองให้เกิดความเปลี่ยนขึ้นก็เป็นการปรุงแต่ง ก็คือลักษณะของวิญญาณเกิดขึ้นมาทางหูบางทีก็เห็นทางตาเหมือนกันของจริงไม่มี แ, แต่ว่ามันหลอกได้อย่างเช่นมีพระหลวงพ่อท่านฝึกแล้วก็มันมีมนโนภาพอดีตเกิดขึ้นมาอยู่ๆเดินจงกรมอยู่ก็เห็นผีนางไม้ออกมาจากต้นไม้ต้น ปรากฏว่าท่านก็ตกใจมากนะระหว่างเดินจงกลมผู้หญิงผมนุ่งชุดขาวมีสบแล้วก็ค่อยๆปรากฏตัวมาจากต้นไม้ท่านก็กระโดดขึ้นไปบนกุฏิแล้วก็ปิดประตูหลังจากนั้นก็แง้มมาดูว่าไปหรือยังอ๋อแต่กรรมาทบทวนมันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมีหรือผีมันมีจริงหรือในต้นไม้แล้วออกมา ก็ระลึกดูอ้าวมันไม่มีแล้วมันเกิดจากการคิดการปรุงการแต่งในอดีตของเราที่มันจำมาไว้สมัยเรียนมัธยมก็มีคนที่เราชอบเรารักอยู่นั่งข้ามเรือไปด้วยกันแม่น้ำจาวยาฝั่งทนบังเทพเสร็จแล้วปีงบันนี้เกิดพระตกน้ำตายเอาศพไว้ที่วัดโดยความที่เป็น คนสวยคนงามก็เลยมาเปิดศพดูก็เห็นว่าโอ้ศพยิ่งสวยกว่าตอนที่สมัยมีชีวิตอีกจิตมันเกิดปฏิการาค่าแบบ น, นั้นกันหนึ่งพอเห็นศพมันสวยจำติดตาไม่ลืมแล้วก็ท้ายสุดก็คือพอเดินจ ง, งกรมกําลังก็ปลากฏขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นแลน้วณะของความไม่จริงพอตัวเองมาเห็นอย่างนี้ปังก็เข้าใจวนะ่าวอ๋อ สัญญาจาได้หมายรู้กันจดกจันจํำไว้ตาเด่นมันมีผลก็คือมาสามารถที่จะปรุงแต่งถ้าเกิดความรู้ทางต่าแต่มารู้รู้ไม่ถูกเป็นลรื่องหนัของไม่จ่าที่ตีแต่ว่ามันก็เป็นปรากฏการณ์ที่สอนธรรมะเราตอนหลังก็จะใจระบบของความคิดขึ้นมาว่าอววิชารมทำให้เกิดสังขารสําคัญแล้วเกิดวิญญาณ วิญญาณทําให้เกิดนามรูปขึ้นมาก็คือความคิดเป็นนามรูปมันตากดทำไมเป็นภาพทันทีมันเกิดภายในจิตเราแต่เหมือนกับตาเปิดอยู่แต่มันสร้างภาพเหมือนกับจริงมากนามรูปที่เกิดสลายญาตินาขึ้นมาทางตาหูจมูกลิ้นต่างๆสลายญาติทำให้เกิดอะไรอีกมากมายแล้วเกิดไหลไปสู่ต้กระบวนการความทุกข์ท้ายสุด แล้วก็จึงใ น, นเรามีตัวรู้รู้สึกตัวเป็นปัจจุบันกันนะจิตก็ไม่ไหลไปในอดีตไม่ไปในอนาคตเกิดความวิตกกังวลเศร้ามองขึ้นนะมาเมื่อจะรู้โลกของความเป็นจริงในปัจจุบันขึ้นนะมาเอเห็นบุญไปยังไงเป็นความดียังไงขณะ น, นี้มีหน้าที่อะไรหน้าที่ที่อยู่ตรงหน้าอะไรนาที่นั่งก็นั่งหน้าที่ฟังก็ฟังหน้าที่พูดก็พูด หน้าที่เดินยืนนอนต่างๆหน้าที่ที่จะทํางานทําการตามสมมุติบรรยัติของสังคมต่ตอไปมันก็จะรู้เรื่องของสมมตุติเรื่องของปรมัดต่างๆเห็นสัตว์ตัวเห็นนี่เป็นปรมัดต่เห็นแล้วต้องทำนี่เป็นสมมตุติรู้ว่าควรเกี่ยวข้องอย่างไรควรทําอย่างไรต่อไปมันก็เลยเป็นลนักษณะของอยู่กับโลกและสนุกเคยขี้เกียจหรือขยันึ้นมาตรงนี้นี่แหละมันจะขี้เกียจไม่ได้ มันเคยนอนกี่เกียร์กี่การมันจะต้องหาเรื่องทําเพราะว่าลมหายใจเข้าออกมีค่ามากการเอาความดีของโลกเข้ามาในตัวนี่มีค่ามากอาหารดีๆอากาศดีๆเอาน้ําดีๆแล้วก็คนดีต่างๆเข่ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับเราแล้วก็ความดีตอบแทนคืนเพื่อเสริมตนให้มากที่สุดสมดุนในที่นี้ก็คือพยายามที่จะ มีความเพียรลงไปขยันลงไปความขยันเกิดขึ้นมาไปในมันตื่นตื่นขึ้นมาแล้วตั้งแต่พอนอนตื่นมาตีสองจะมีความรู้สึก ข, ขยันขึ้นมาไปในจิตใจของเรามันจะขยันทําอะไรความนี้มันขยันดูแลกายดูแลใจนะนะั่นแหละในบทเรียนการทดสอบต่างๆที่มันมีอยู่กับโลกคู่โลกมานานแล้วที่มาทดสอบเราอยู่ตลอดในลมลาเช่น ขณะปฏิบัตินี่อาการของกายจะสแสดงออกมาความเจ็บความปวดความเมื่อยเหมือนเดิมมันไม่ใช่ว่าปฏิบัติมาแล้วยี่สิปีสาสิบปีแล้วจะไม่ปวดไม่เมื่อยปวดเมื่อยเหมือนเดิมแต่ว่ามันมีความอดทนขึ้นมาความอดทนเคยไม่มีมันอดทนขึ้นมามันเห็นว่าอ๋อมันมีขันติมิตภาพเกิดขึ้นที่ร่างกายของเราอ๋อมันมีสภาวะของสติปฐานสี่เกิดขึ้นมาภาวะผู้ดูเกิดขึ้นมา ดูเห็นอาการของกายตามความเป็นจริงเป็นปรากฏการณ์ของพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวันนี้ขึ้นมาจริงๆปวดคายอยู่จนหายปวดอย่างนี้นก็มีสติมันเอาอยู่จะเจ็บจะปวดขนาดไหนมันก็เป็นลนักษณะของธรรมชาติที่มันไม่ได้เกี่ยวกับจิตแต่ว่าเราจะเปลี่ยนด้วยสติก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้แล้วนะเวลาปฏิบัติธรรมเจ็บปวดเมื่อยอันนี้ดี มันไม่ได้บอกว่าโอ้ยไม่ไหวแย่แย่เนี่ยอ๋อนี่คือโจทย์เราเฉลยดูคืออะไรไม่ทนมันก็ทนขึ้นมาจนกระทั่งไม่ต้องทนกลายเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาธรรมดาปฏิบัติมาหลายปีความง่วงก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละมันไม่ได้ว่าไม่มีหรอกแตเพียงแค่ว่าง่วงแล้วมันรู้ทันขณะที่มันง่วงขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่ง้อหัวทิ่มลงไปวูบไม่เป จะมีลักษณะที่ว่าเรารู้ระหวังง่วงนอกจากเวลาทํางานทําการมากๆให้สังเกต ด, ดเูเสียเหงือะมากๆใช้กล้ามเนื้อใช้เรียกว่าเอ็นกระดูกมากๆก็จะมีอาการล้านะอยากพักอันนี้มันจะมีอาการบูบไปเล็กเพราะว่าเวลาทํางานมากๆไม่อย่างว่าละทานข้าวทานมือ้อ2อมื้อแล้วทํางานหนักจะมีอาการบูบๆอยู่ข้างในแต่ว่ารู้ทันอันนี้ก็บอก ถึงว่ามันจะไม่ง่วงปฏิบัติธรรมก็ยังง่วงเหมือนเดิมแต่ว่ารู้ทันมันสำคัญความคิดฟุ้งซ่านต่างๆมีเหมือมนเดิมเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันรู้ทันได้ไว้แล้วก็ความตื่นภายในความเป็นปกติภายในมันเด่นชัดขึ้นชัดขึ้นความนิ่งภายในนชัดขึ้นชัดขึ้นสมาธิปรากฏขึ้นมาศีป ร, รากฏขึ้นมาอย่างนี้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเราก็ใจมัน วเวลามันมีไหวพริบผีพานมันกลับมาได้ไวนะอันนี้ชัดขึ้นวับวับบวจิตจิตจิตจิเนี่ยอันนี้ชัดขึ้นเราเห็นจากการเพินวัดที่เรากลับมาดูตัวเองดูกายดูใจดูรูปทำนามทำอาการต่างๆก็ เ, เห็นปรากฏการหลังเนี้ยทีเยิบเลยวันตั้งวันตื่นยันหลับมันก็เลยบอกอาการว่าจิตของเรานีที่เป็นบุญลักษณะเป็นบุญมันขาวรอบมันเป็นยังไง มันเกิดปัญญาขึ้นมามนเป็นยังไงหรือว่ามันมีอคศิเกิดขึ้นมามนเป็นยังไงแล้วทายสุดคือธรรมชาติทั้งหมดปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เราเลือกเป้นเอามาใช้ให้ถูกต้องต่อไปมันเคยกลัวลักษณะกลัวผนะีกลัวความมืดกลัวสัจจาราสิ่งพอมีสติะระลึกรู้ขึ้นมาความกลัวกลับเป็นประโยชน์ ลกลายเป็นความปลอดภัยขึ้นนะกลายเป็นอายชั่วครัวบางขึ้นกลายเป็นการที่เรารู้จักอยู่กับสัตว์สาราสิ่งต่างๆเพื่อเริ่มโลกอย่าไม่ต้องรังเกียจอึดอั ด, อดขยะกขยแยงมันเป็นความรู้สึกเออหนึ่งเดียวกันเขากับเราเนี่ยมีเมตามตาเขาหนาเมตตาเบาียขาขึ้นนะก็เป็นคุณธรรมต่างๆเป็นพวงเลยเพราะนั่นความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนกับว่าเรามีรูปรครบอบหยุดภัยในจิตใจของเรา เรว่าประคบใจทุกครั้งที่เรากลับมารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวทั่วสัตพังกายหรือว่ารู้รอบกองสังขารความรู้สึกตัวจะเหมือนรูปประครบที่ประครบจิตประครบใจของเราที่เคยบอกจำมารอยบุญรอยบาปรอยได้รอยเสียต่างๆรอยสุขรอยทุกบอกํามาจากการถูกเจียวชนที่เรากระทำแปดมันก็อัดเราก็หนําเราโดยที่เราไม่ได้เชื้อเชิญ เพราเรามีรูปะครบอยู่แล้วคือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนกายของเราเวลาเจ็บปวดเมื่อเห็นเราก็ใช้รูปะครบใช่ไหมมีอะไรล่ะมีคำมินตรงนี้ชิงขาตะไคร่อะไรต่างๆใส่ลงไปกาละโบนใส่ลงไปในรูปะครบก็บเปรียบเหมือนกุฎ ธ, ธรรมมากมายก็เกิดมาจากความรู้สึกตัวรูปะครบมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่แล้ว เพราะนั้นเราก็จึงเพียงแค่ว่ามาเรียนรู้เรื่องความรู้สึกตัวมันก็จะเป็นทั้งสมถะเป็นทั้งวิปัสสนาก็จะเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกของกายโลกของจิตของใจเรามีรูปมีรสมีกลิ่นมีเสียงมีปุถัมมีธรรมาลมต่างๆเกิดขึ้นมาให้เราได้ฉลาดเราก็ไม่ได้งอหลงงมงายไร่จาระเพราะว่าความรู้สึกตัวทําให้เราสลัดคืน อะไรที่เป็นความทุกข์เป็นความไม่รู้เรื่องกายความรู้ขึ้นมากายคือความไม่ทุกข์ขึ้นสลัดคืนเป็นวิลาคะเคยให้ราคาอะไรเป็นราคะต่างๆเกิดขึ้นไหมาตาหูจมูกลิ้นกายใจกายเป็นวิลาคะไม่ให้ราคาเห็นสโสเห็นได้จริงโสได้ยินกลิ่นโสกลิ่นรสโสรสสัมผัสโสสัมผัส ก็จึงอยู่อย่างธรรมชาติของจิตใจที่มันเป็นความปกติมีสติเลิกรู้ความรู้สึกตัวมีสติเลิกรู้ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมต่างๆนั้นความรู้สึกตัวจึงเป็นรู ป, ปรครบใจของเราความรู้สึกตัวก็จึงเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาดัะนั้นเราก็ไม่หันหน้าหันตาไปทางไหนกันเราก็ดูแลกายใจของเราใช้ความรู้สึกตั ว, น, วนี่ะ ที่องค์สมเด็จสัมมาสมัมพุทธเจ้าประกาศมาแล้ว 2,600 ปีประเทศไทยก็เป็นศูนย์กลางของคุณศินาโลกยังมีสมถะทิ่พันธนาในี่ชัดเจนจริงๆแต่พอยุคนี้พระพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็พูดตรงๆจะแตกต่างจากสมัยโบราณรื้วหสมัยร้อยปีพันปีที่ผ่านมาก็ต้องอาศัยจริยธรรมอาศัยพราหมณ์พิธีกรรมต่างๆ เป็นลักษณะของกุศ โ, โลบายเป็นว่าธรรมประเพณีเป็นเรื่องของมารยาททางสังคมจารีตต่างๆของเราเข้าตรงๆเลยพิธีรีตองบทีมันก็ดีแต่ว่าถ้าเราเคลื่อนไหวรู้สึกตัวแล้วก็สุดยอดตัวนี้บอกเลยจึงมีการเคลื่อนมือ14ชิ้วมีการเดินจงกรมให้ชาวพุทธเราได้สัมผัสริมชิมธรรมรสที่กำลังปากฏดอยู่ทุกๆ ขณะในปัจจุบันนณะ